ห่ อ, อ น, นอบนอบ้นอมในองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอาหารหันต์กายจากกิเรตตัดรู้ชอบได้โดยฟงเองก็ถว่ายความกรุบเดืของครูเทียนปรามาจารย์ในการเจริญ ส, สติเป็นอาจารย์ใหญ่พวกเราพ่อใหญ่คําเขียนซึ่งเป็นผู้ที่เคียตมาคิดว่าท่า น, นพ้ทุกข์ได้ดขาดไปแล้วสอนพวกเราแล้วก็สร้างให้เราได้ดปฏิบัติธรรม ก่อนตว่าความเคารพโดยหนะลวงปู่ ก, ก, กมรมพอาจารย์ทรงศิลปอาจารย์สุรินพระเจริญเทระมัจเจมะลาวกะก้อยเจริญพรแม่ชีแม่มมมมมขาวอุบาสกวสิกาผู้เจริญในธรรมทุกท่านอัสมาฟังคําพูดก็ดีจะคิดก็ดีจะพูดก็ดีจะทําก็ดีสรุปลวมตัวเดียว <laughs> คือให้รู้ทุกและก็ดับทุกแค่นั้นเองอะจะฟังประเทศใครกั จะเทศยาเทศยืดเทศยังไงก็ไล้ไง น, น่ะไมจะ่จะสรุปลูกโฟเดียวเลยคือจะคิดก็ดีจะพูดก็ดีจะทําก็ดีเพื่อให้รู้ทุกแล้วก็ดับทุกแค่นั้นเองที่นี้เวลาฟังธรรมนะลูกพ่อยกมือฟังเราจะได้อารมณ์ดีเหลือเกิ น, นมันรู้สึกซื่อเฉยมันไม่คิดเลยนะจิตใจพวกโรคเบาสบายจีิจังเลยชอาแข่งนี่นะแข่งแข่ ง, ขงชอบทําแข่งกับคนอื่นนะ ชอบเวลาเขาพูดเราก็ปฏิบัติแข่งไปเลยนะชอบเดินแข่งปฏิบัติแข่งทําคนเดียวก็ทําได้อยู่นะแต่ทําคนเดียวเราบางทีมันเอาไปกับความคิดซะมากกว่านะมันไอตัวไอตัวหลอกไอตัวหลงมันพาคิดไปโน่นไปนี่ถ้าทำกับคนอื่นแเราทํากับคนอื่นเสร็จมันจะเนีมันจะมีตัวสติมาเตือนเรียกว่าไปเห็นคนนะ คนพูดคนนั้นคนนี้ทําอย่างนั้นอย่างนี้นะเห็นผิดแต่น้าไม่ใช่ที่จนังนะไม่ใช่ที่จริงยังไงเราไปแสงตั้งไปปั้นนะไปยึดว่าเขาเป็นเป็นสั ต, ตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่จริงเขาเป็นรูปเป็นนามเฉยนะเป็นมดหนึ่งอยมดออกชื่อมดเพามดเป็นสัตว์ไม่ใช่รูปนามเนี้ยตัวเองสอนตัวเองอยู่อย่างนี้ทุกทีสอ น, อสอ น, สอนตัวเองให้มันมีรูปนามเป็นอารมณ์อยู่อเป็นอารมณ์อยู่สอนตัวเองอยู่อย่างไงสอน สอนอยู่เองอยู่เนี่ยเจนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็รับแผ่เมตตาปั๊บเนี่ยจกเป็นสุกพลุกเถิดเอาแค่นี้นะจกเป็นสุกพลุกเสิดให้รูปนามนั้นน่ะจกเป็นสุกนทุกเถิดจกเป็นสุกพลุกเสิดพูดท่านคำเดียวนะให้มันวุ่งตรงไปเหมือนหลวงพ่อเขียนมาพูดเน่ะไม่เป็นอะไระ <Wh> ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรนั่นแหละคือไม่ไม่มีไม่เป็นขาดบุคคลตนตนเราเขา ไม่เป็นไม่เป็นอะไรไม่เป็นผู้โลภผู้โกรธผู้หลงไม่เป็นผู้ทุกข์ไม่เป็นผู้ยินดียินร้ายไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรนะไม่เป็นอะไรนะก็คือไม่เป็นอะไรก็คือไม่เป็นทุกข์นั่นเองพ้นทุกข์นั่นเองไม่มีอะไรคือไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์นั่นเองไม่มีกิเลสนั่นเองเอจับความแค่นี้ได้ก็เออคําสั้นพูดในสั้นแล้วกินความลึกถึงที่สุดกินความลึกถึงพระนิพพานเลยจับแค่นี้เองจับอะไก็ทำที่นั่น มันจะมันจะทายังไงหรอฟังแล้วได้ใจจาเอาไปคิ ด, เ อ, ด เ, ออเอาไปพูดเอาไปท่องเอาไปพูดเฉยเฉใช่นีเสร็จแล้วไม่ทำใช่นียมันขึ้นอยู่กับตัวการกระทำใช่เนี่กระทำอะไรกระทำความไม่นึกกระทําความไม่คิดกระทำความรู้สึกๆๆเฉยเฉเฉยเฉยนีมันขึ้นอยู่กับกรรมการกระทำใช่ใชนีทีนี้การกระทำตัวนี้ไม่มีเจตานาะไม่เป็นกรรมเไม่เป็นกรรมไม่เป็นเวรใช่นีคนือขึ้นกับก็บกิริยาอาการเฉย พระอรหันไม่มีเจตนาอะไรไม่ใช่ม่ใช่กิริยามเสีอาการได้เฉยไม่เป็นกรรมอยู orm, <fit> ่เหนือกรรมทํากรรมที่เหนือกรรมก็เรียกกรรมขาวไม่ใช่กรรมดาเนื้อเนือกรรมดําเหนือกรรมขาวกรรมขาวคือกรรมกุศลกรรมกรรมดาคืออกุศลกรรมคือกรรมฝ่ายบาปกรรมฝ่ายชั่วกรรมฝ่ายผิดกรรมฝ่ายก่อทุกข์นี่กุศลแรมกรรมกรรมเพื่อพ้นทุกข์ที่ไม่ไม่มีเจตนาจงใจจะทําที่มันเป็น ไปเองโดยอัตโนมัติก็เรียกว่า เ, เป็นกิริยาเป็นอาการน้องพ่อเขียนคำพูดว่าเอามือจับคำข้าวเนี่ ย, เ, ยเห็นวัตถุอันหนึ่งมันกำลังจับวัตถุก็คือมือเนี่ยจับจั บ, จบแล้วก็ยืน่นยืนเขาใส่ปากก็เคี้ยวเคี้ยวกระื่นเห็นอาการเหมือนเห็นอาการเห็นอาการรูปจับรูปมือรูปมื อ, มอจับรูปอาหารแล้วก็ จับมาใส่รูปปากนะเคี้ยวเคี้ยวตัรูปเคลื de. <c oughs> mm ่อนที่แล้วก็รู้เห็นไมมีรู้กับนามเนี่ยนะเป็นอาการเป็นอาการแปลกันเลยนะไม่มีตัวยินดีไม่มีตัวเยินร้ายไม่ปล่อใจไม่พอใจไม่มีอยู่ในนั้นหลืมันเฉยเนี่ความรู้สึกมันเฉยมาแล้ความรู้สึกซื่อๆความรู้สึกเฉยๆเนี่ยนีหลวงพ่อจับคำพูดคำนี้จากหลวงพ่อมหาลัยเจ้าคุณมหาลัยนะจบปีนี้เก้าประโยคประโยชน์มีการ10ปี แล้วก็ไปรู้เขาเขียนไปที่นั่นแล้วไปเห็นซีดีลวงพอเทียนน่ะนั่งยกมือขึ้นที่ห้องช่วงายเขาอะอายอเขาบอกว่าตัวเองไปสอนแต่พูดโทยุบนองพ้องนออะไรก็สอนตามตำลาเหมือนกันที่นี่ไปเห็นความคิดไปหยุดความคิดได้ไปออกจากความคิดออกจากความทุกข์ได้เหมือนกันเลยเชื่อเลยแล้วมายอมเป็นลศิษย์หลวงพอคำเขียนอยู่ที่สุกัโตเนี่ยหนึ่งปีท่านมีความรู้ขนาดนั้นท่านบอกว่าความรู้สึกตัวซื่อเชยเปล่าๆเป็นขั้นต้น เป็นขัข้นท่ากลางและที่สุดของความดับทุกข์คือว่าพอเอาชีวิตไปเดิมพันท่้งวันอย่างเนี้ยเอาชีวิตไปเดิมพันเลยก็จับตัวรู้สึกเฉยๆทีนี้เราพอรู้สึกเสร็จแล้วเรายังไปปรุงแต่งว่าเป็นคนนั้นว่าเป็นคนนี้อยูน่นะว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่าเป็นคนดีคนชัว่วคนผิดคนถูกคนขี้โมโ้ขี้คุยขี้เก่งอะไรอย่างเงี้ยไปว่ากันเละไปไปมอบศรัทธาไปแต่งตั้งให้เขาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยเรามีความเห็นผิดวิชาธิษฐ์เข้าใจไหม ตัวนี้แหละอาจารย์กัมพลพูดอย่างไรรักษาศินห้ายังไม่ครบเลยนะไปขโมยเอารูปนามมาเป็นตัวกูของกูอยู่ครับว่าอาจารย์กัมพลพูดชัดหน่าดูเลยเนาะพูดชัดน่าดูเลยผมว่านี่สินห้ายังรักษาไม่ได้เลยว่างันไปขโมยไปตู่ไปโกงเอารูปนามกายใจมาเป็นตัวกูของกูเป็นตัวตนของตนอยู่เนี่ยมรัส ก, กาทิฏฐิยังไม่ได้เลยว่างันเราความเห็นว่ากายกับใจว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เลยยังผิดสินข้อที่ห้าอย่างที่เรคุยธรรมะ ขนาดไหนเหมือนนจะโ ม, ม้ธรรมะไปขนาดไหนเหมือนกันท่านพูดเมื่อจับใจเหลือเกินนะหลวงพ่อไปเห็นอาจารย์มงคลหลวงพ่อไปบีบนวดให้เลยนี่บีบให้เลยบีบนวดให้เลยบอกโอ้ย่นผู้ที่คารุปธรรมอ่ะคารุปธรรมเ ข, ขาเป็นธรรมนี่เขาบอกว่าป่วยแต่กายใจไม่ป่วยกลายเป็นอมาพาตที่ใจปวดพวงลงไปแล้วเใช่ไหมพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าใจสวย ใจดีใจงามยใจสวยคือใจมีสติมีสปัญญาเนี่ยคนใจใจขี้เหล่ใจน่าเกลียดเนี่ยก็คือไม่มีสติไม่มีสปัญญะไม่มีความรู้สึกตัวนี่เองนะทีนี้ก็เรียกว่าก็เรียกว่าสวยแต่หน้าอ่าสวยแต่หน้าสวยแต่ตาแต่ใจไม่สวยเนี่ยไปแต่งแใจหน้าแต่งแต่ตาแต่งแต่กายแต่งแต่รูปเท่านี้นี่แหละแล้วเขาเขียนพูดรูปหลาคะกำหนัดในรูปอยู่เนี่ยกำหนัดในกายอยู่น่ะ กำหนัดในร่างกายอยู่กำหนัดมีความรักคือทีนี้ไปหลงรักกายละกลามก็ไม่ ก, กายละความยินดีในกายก็ไม่ได้ไปแต่งใจกายแต่ง แ, แต่รูปเนี้ปรุงแต่รูปแต่น่าแต่ตายอยู่ทีนี้ไม่ปรุงแต่งใจการที่เรามีสตินี่เรามาปรุงแต่งใจความรู้สึกตัวรู้สึกตัว ซ, ซื่ อ, อเๆเฉยๆเปล่านี่แหละรู้สึกบริรสุทธิ์รู้สึกร่วนๆนะรู้สึกสดๆรู้สึกแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปนไ ป, ปกติผ่านไปปกติผ่านไปปกติผ่านไปทีนี้ไอ้ความ ไอ้ความผ่านไปผ่านไปมันเป็นความถีเนี่ความถี่ของความซื่อื่อความถี่ของความเฉยๆเน่ยผ่านไปทีนี้ความถี่ตัวนี้เป็นความถี่ที่ไม่มีกิเลสเข้ามาแทรกไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีความหลงไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูตัวตนเข้ามาแทรกแทรงอยู่ใช่ไมันก็เป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ก็คือธรรมะที่บริสุทธิ์หนึ่งที่สรุปแล้วก็คือว่าใจสะอาดใจสว่างใจสงบนีใจไม่ฟุ้งแฟิงเนี่ยใจสะอาดใจสว่างใจสงบก็คือใจ ไม่มีกิเลสเข้ามาเจือพนะเป็นใจที่บริสุทธินะ์ใจที่ไม่มีทุกข์เข้ามาเจือพนแน่ๆให้สังเกตตัวเนี้ยให้เข้าไปเข้าความารู้สึกตัวเองดูนี่เนี่ยวได้ไปเห็นก็เลยก็เห็นอะไรเห็นอาการเห็นกิริยาเห็นอาการของใจที่บริสุทธินะ์ะอาการของนามธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ตัวรู้ตัวแรกที่มันไปนสัมผัสรู้นะี่นะมันรู้เฉยๆนะมันรู้ซื่อๆเฉยๆก่อนแ ต, ต่ว่าไอ้ตัวโง่ ไอ้ตัวหยาบไอ้ตัวยอะไอ้ตัวกิเลสเขามาแทรกเนี่ยมันถ้าอารมณ์ใดที่มากระทบตาหูจับุกริ้งไกลใจเป็นอารมณ์ที่ละเอียดสุขุมเราก็ว่ามันดีพอใจเนี่ทีนี้เป็นการสุกพิธนาเกิดขึ้นทีนะถ้าอารมณ์อะไรมันหยาบมันชั่วมันรุนแรงมันหยาบคลายเกินไปมากระทบมันหยาบมันแสบมันเผ็ดขึ้นมาก็ไม่พอยใจนะก็เป็นพุกเขาไปธนาทีนี้ให้รู้ตรงนี้นะให้รู้สี่ผัสสะที่มากระทบเนี่กระทบตาหูจับุกริ้งไกลใจ มันมีทางเข้าม า, าทางกีท้องทางของกระทบเข้ามา6ประตูแล้วสักห้ประตูถ้าไหรวมที่ปัจัยประตูเดียวใช่ไปรวมที่ใจทีนี้ที่เราดูกายเคลื่อนไหวดูอะไรเคลื่อนไหวนั่นก็คือไปดูใจนั่นแหละเพราะใจมันเป็นท่ารู้มันเข้ามารู้อาการของรูปเคลื่อนไหวแต่แล้วมันก็ต้ไปรู้ตัวมันเองด้วยก็รู้ตัวมันเองเพราะมไม่รู้เนี่ยมันรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้สิ่งอื่นภายนอกแล้วก็รู้ภายใน อ่ารู้ตัวมันเองเนี่ยทีนี้ก็กายกับใจรูปกับนามมาอยู่ด้วยกันเนี่ยใครรู้ตัวที่ใกล้ที่สุดที่สมานสนิสนมกันที่สุดทีเนี่ยทีนี้เราไปรู้ตัวไก่รู้ตัวไกล่ ก, ลก็รู้ตัวคิดสง่งจิตออกไปสง่งจิตไปโน่นสง่งจิตไปนี่จากนั้นเขาจึงว่าให้เอาสติมาผูกกายไว้เอากายเป็นท่อนเหมือนกับสัตว์หกตัวลิงมั่งจระเข้มั่งอะไรมั่งเต่ามั่งนกมั่งอะไรเน่ยเอามาผูกจับต้นาพานจะมาผูกไว้ทีเนี่ย ไอเต่าก็จะลงน้ำไอนกก็จะบินขึ้นฟ้าไอหมาบ้านก็จะวิ่งเข้าบ้านหมาป่าก็จะวิ่งเข้าป่าเจ้าแค่ก็จะลงน้ำใชเนี่ยจับไปจับมามันผูกเสร็จแล้วมันไปไม่ได้มันผูกติดเสาอยู่ใชเนี่ยมันก็เลยจ้องอยู่ใชอันนี้ก็เหมือนกันใจเราเอามาผูกที่กายไว้ผูกที่กายกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกกายยังไงก็แล้วแต่กายร่างกายเนี่ยร่างกายมันก็คือเป็นรูปทั้งหมดก็คือตาก็เป็นรูปหูก็เป็นรูปอ่ารูปทั้งหมดนี่คือกาย รูปทั้งหมดเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสผลธรมะก็กร ะ, ะ, ะรูปกะกายเหมือนกันทีนี้เป็นน้ำยี่งเดียวคือใจเอามาผูกทีนี่เอาน้ำเอามาผูกที่กายทีนี้เขาเอาใช้กิริยาบทสัพพัญญาปปะกายเคลื่อนไหวกายยืนกายเดิ น, ก า, ดนกายนั่งกายนอนเนี่ยยืนเดินนั่งนอนไม่มีความคิดไม่มีคําพูดอยู่ในนั้นนะเพียงแต่ว่ามันเป็นกิริยาอาการทีนี้ก้มเงยเดินหน้าถอยหลังอะไรรูปหมดเดียวซ้ายแลขวากระพริบตาอาปาก เคี้ยวอาหารกือนอาหารกืนน้ำลายหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เป็นกายเป็นรูปทั้งหมดเลยน่ยให้มารู้ชิ่นี่เนี่ยแต่ว่าเราพูดเราทําแบบหนักนวงแบบทําแบบอาการใหญ่ๆคือการยกมือ14จังหวะเดินตรงกลมเนี่ยมันมีแค่2จังหวะแค่นั้นเองจังหวะ เ, เคลื่อนไหวก็รู้สึกจังหวะหยุดนิ่งก็รู้สึกเนี่ยที่รู้สึกก็ไม่รู้สึกเดียวคือรู้สึกซื่อๆรู้สึกเฉยๆรู้สึกกระเป๋าทีนี้ของเรามันไม่ยอมซื่อๆไม่ยอมเฉยๆประเปล่าท่มันไปปรุงแต่งกันๆๆนะี่ย ปรุงแต่งเป็นดีเป็นชั่วเป็นผิดเป็นถูกเป็นพอใจไม่พอใจเป็นรักเป็นชังไปเลยนะปรุงเป็นตัวลุงโง่ตัวหลงเป็นตัวกูกูยืนกูเดินกูนั่งกูนอนปรุงไปนู่นไม่เห็นเป็นธรรมะไม่เห็นเป็นธรรมชาตินี่แหละให้เราเห็นนั่นก็เรียกว่ามีรูปนามเป็นอารมณ์มีรูปนามเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นขั้นต้นของการที่จะจิตออกจากกิเลสออกจากตัวปรุงแต่งเป็นจิตเดินทางไปสู่ฟันดิภานขั้นสูงสุดนะเป็นไปจุความพ้นทุกข์ให้เห็นเป็นรูปเป็นนามหมดเลยใช่ะ คนเดินมาก็อออรูปนามรูปนามสั่งเปลี่ยนสัญญาสัญชาติยามที่มันจําว่าเป็นสัตว์บุคคลตวตนเราเขาเปลี่ยนในใจของเราเราหลวงพ่อคำเสียนรถเปลี่ยนนะทุกไม่ทุกสุขไม่สุขสุขไม่เป็นผู้สุขทุกไม่เป็นผู้ทุกดีใจไม่เป็นผู้ดีใจเสียใจไม่ผู้ดีใจเปลี่ยนปฏิบัติคือเปลี่ยนคือกลับทันทีทันใดนั่นเองนะทันทีทันใดนั่นเองที่เราไม่กลับทุกทีคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้ไปใหญ่เลยนะความคิดความโง่ความหลงภา ไปใหญ่เลยปรุงไปใหญ่เลยนะออกรอกตัวออกไปทูกิเลสปวดเลยที่ต้องให้เห็นรูปนามเป็นอารมณ์อยู่เนี่ยรูปนามเป็นอารมณ์รูปนามเป็นล ม, ม T, เกิดปิติเกิดอายขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมาความคิดเป็นปรุงแต่งมาหลวงพ่าเทียมมนะีปสัสจุนกิ เ, เ, เ, เลสเกิดขึ้นแล้วนะทีปัสจุนกิเลสขึ้นแล้วก็เรียกว่าจิตปรุงแต่งไปใหญ่เลยให้ถอยหลังกลับมาอยู่รูปนามเนะมาดูกายเคลื่อนไหวมาดูใจ ร, รู้สึกเนี่ยมาดูที่นี่นะให้กลับมาอยู่นี่อย่าไปกับมันคใครกลับได้ไวที่สุด สแสดงว่าชาติสัพพะชัยดีก็คือสินสมาธิปัญญาดีนั่นเองคือทางพ้นทุกข์มักมีองค์แดีนั่นเอ ง, อง น, องดด น, น, องนี่ใจดีใจงามใจสวยก็อยู่ตรงนี้เองใจไม่ดีใจไม่งามใจไม่สวยก็เจอเธอเป็นความโลภความโกรธความหลงความคิดปรุงแต่งนั่นเองไม่สํารวมระวังนี่ต้องฟึกนตีนี้ต้องดูชิ่นี่ถ้าไม่ดูชิ่นี่เสร็จแล้วก็ธรรมะกายก็ธรรมะใจก็ธรรมะกิเลสก็ธรรมะเหมือนกันนะ ความโลภความโกรธความหลงธรมะแต่มันเป็นอาธรรมมันเป็นธรรมะฝ่ายก่อให้เกิดทุกข์นี่นะเป็นทีนี้ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงความไม่สติสัพัญญาเนี่มันเป็นธรรมะฝ่ายให้พ้นทุกข์ให้ดับทุกข์นี่เนี่ยทีนี้คนจะทํำยังไงก็แต่ทีนี้คนทําทุกจริงทุกอย่างนะเกิดมาเพื่อรู้ทุกข์ได้ดับทุกข์ขึ้นนะแต่คนดับทุกข์ไม่เป็นโกรธเขาแล้วฆ่าเขาอย่างเงี้ยนะจนรับลักขโมยปล้นเขาเนี่โกงเขาอย่างเงี้ยมันดับทุกข์ไม่เป็นนะมันเอากิเลสมาดับทุกข์นะ เอาความโลภความโกรธความหลงเอาความโง่มาดับทุกข์กันนะแต่ผู้เจ้าเนี่ยดับทุกข์โดยพิธีที่เอาสติแสัพพัญญะเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปดูเห็นความรู้สึกนึกคิดเห็นคําพูดเห็นคำการกระทําของเราน่ะเห็นกายทําอะไรเนี่เห็นมันมันผิดมันถูกมันก็รู้เห็นเี่ยเห็นปากมันพูดอะไรพูดผิดพูดถูกมันก็รู้เห็นใจมันคิดอะไรมันคิดอะไรคิดผิดคิดถูกมัก็รู้ทีนี้ทีนี้ไอตัวสติมันจะจัดทิ้นใจเองเป็นผู้พิพากษาเองมาอย่างนี้ผิดไม่ทํานะอย่างนี้ถูก มันถึงเวลาคิดถึงเวลาพูดถึงเวลาทํำมัอยังมันหมาะแก่การเวลาหรือ ย, อยังทำาหมาะแก่การเวลาก็จึงคิดจึงพูดจึงทําทีนี้มันไม่หมาะการเวลาเขาไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดต้องทํานะก็อยู่ซื่อเฉยอยู่ด้วยใจว่างกิเลสดีกว่านะอยู่ก็ว่างอยู่กับความว่างนะอยู่กับความไม่ น, นึกไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งเฉยเฉยทีนี้มันจะอยู่ตรงไหนหระมันก็อยู่ที่กายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวนี่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงนะไม่มีหรอกนะกายเคลื่อนไหวนี่ยกายไม่เคลื่อนไหวเอาเจตสิมาอยู่ตรงนี้ นะไม่เคลื่อนไหวนกมันนกมั่งผูกมั่งเต่ามั่งตะแค่มันผูกมันจะดิ้นลงน้ามันดิ้นไม่ไหวมหมดแรงเนอะมันก็จับเจ้าเฉยๆอยู่ข้างเสาอันนี้ก็เหมือนกันใจเราก็เหมือนกันให้มันให้มันเกาะอยู่ที่กายเนี่ยกายเนี่ยกายเกิดขึ้นกายตั้งอยู่แต่พอเก่าไปปั๊บก็รู้สินาะโอ้กายเนี่ยไม่เที่ยงนะเนี่ยไปก็เห็นเจ็บต้านปวดนี่อน่ะโอ้อันนี้จังทุกขังทนได้ยากทนลบากอนัตจารับบังคับไม่ได้นะ กายอย่แก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะอะ่าปวดหลังจย่าปวดเอวจะปวดเขานะอย่างเนี้ยะบางครั้งไปนะโอ้ได้เห็นได้เป็นการเห็นธรรมะไปเลยเห็นธรรมะอนิจจธรรมะทุกขังธรรมะอนัตตาเป็นธรรมชาติอนิจจธรรมชาติทุกขังธรรมชาติอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวกูตัวกูแก่ตัวกูเจ็บตัวกูตายตัวกูปวดหลังตัวกูปวดเข่าไม่ใช่นั่นเห็นผิดไปแล้วเห็นมิจฉาทิฐิไปแล้วสักละสักการจะดิจิไม่ได้ วาความเห็นมาเป็นตัวตรวไม่ได้เห็นความแก่เป็นกูเห็นความเจ็บเป็นกูเห็นความตายเป็นกูเลยนะเห็นคนอื่นเป็นมึงเลยนะเห็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไปรู้อะไรก็ไปสู้รู้สึกตัวรู้ทัวนทั่วกายไหวใจรู้สึกนะรู้ไม่คิดรู้ไม่นึกรู้ไม่ปรุงไม่แต่งรู้สื่อสื่อรู้เฉยเฉยก็รู้จักถามคนทุกรู้ผนิพานให้ไม่รู้ตรงนี้นมรู้ที่นี่รู้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่รู้ฟุ้งนี้รู้มาเรื่อนนี้ต้องรู้ปัจจุบันปัจจุบัน ปัจจุบันขณะขณะไปเมื่อปัจจุบันมันเข้มแข็งอ่ามันติดต่อไม่มีเว้นวรรคให้กีรติเข้ามาแทรกแซงปัจจุบันนั้นก็เป็นปัจจุบันของนะเรามีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมใจไม่โลบไม่กดไม่หลงไม่ทุกข์นะไม่ส่งจิตไปเบียดเบียนผู้อื่นเป็นทุกข์เนี่ยใจเราก็อยู่ในขั้นเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าตะทางคะประหารเขาเรียกเข้าสู่พนันธุ์านด้วยชั่วขณะหนึ่งนาทีสองนาที5นาที10นาทีชั่วโมงหนึ่งหรือวันหนึ่งก็แล้วแต่ นั่นแหละได้กระทบปฏิพานธ์แล้วได้สัมผัสปฏิพันธ์แต่นี้พอวันหน้าต่อไปมันเกิดหลงไปคิดอีกไปคิดไปนึกม า, าตัวเราทำวันนั้นได้ดีทำไมทำไม่ได้ดีอย่างนั้นอีกนะมาไปอยากขึ้นด้วยนะปัญหาเกิดขึ้นมาอีกเนไหมแต่นี้พออ๋อลุ้นแล้วจะไปยากไหมจะไปยากมันกลับมามาดูความรู้สึกตัวเฉยเยเนี่ยนี่กันดันก็เรียกว่าจินตามะยะปัญญาช่วยดับขึ้นมาความคิดนั่นแหะคิดไฟดีนั่นแหละไฟมีผลช่วยดับขึ้นมาช่วยดับตัวคิดปรุงแต่ง ตัวไตเอาความคิดมาดับความคิดต่อไปมันดับความคิดเสร็จแล้วทีนี้มันก็ไม่ใช่เป็นความคิดดับความคิดแลเป็นสติปัญญาดับความคิดไปแล้วทีนี้ก็เฉยรู้ ซ, ซ, ซื่อรู้เฉยรู้เปล่าๆไปรู้กายเคลื่อนไปไปทําอยู่อย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องสงสัยในโลกนี้ในจักรวาลนี้มีของอยู่สามสิ่งแค่นั้นเองมีรูปมีนามมีพันธุ์พันธุรูปนามก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์อยู่ตลอดอนันตการ เป็นอย่างนี้อยู่พันิพาณเป็นสภาวะที่ว่างทุกขไม่มีทุกเดือบลนอยู่เป็นอนันตการมีอยู่อย่างนี้เห็นไหมสิง่งใดเกิดสิ่งใดดับสิ่งกายสิ่งใจมันเกิดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปก็อย่างนี้เกิดกี่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติมันก็ดับอยู่อย่างนี้เข้าใจไหมแต่สิ่งที่ไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการดับมีอยู่เป็นอนันตการก็คือพันิพานณมีอยู่3สิ่งนี้ไม่ต้องไปสงสัยอะไรคนคนนั้น ชื่องนั trend, ้นช like so ื่ออย่างนี้ก็เป็นสมมติเฉยๆนะที่จริงก็เขาลูบน้ำลูบน้ำทั้งนั้นนะมดก็ลูปน้ำแมลงก็ลูปน้ำปลาก็ลูปน้ำคนก็ลูปน้ำผู้หญิงก็ลูบนามผู้ชายก็ลูบน้ำเหมือนกันเตียบเลยใช่เนี่ยเกิดขึ้นพอเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายเหมือนกันร้อยล้านเปอร์เซนเลยเข้าใจไหมเนี่ยมีตาหูจมูกเลี้ยงใจเหมือนกันเนี่ยว่าตาหูจมูกเลี้ยงใจก็เป็นอันิีจังตัวค้างอนนีตาเหมือนกันเป็นพระไตรักเหมือนกันหมดเลยบางทีใช่เนี่ยตาก็็เปนนอิจังทะ เป็นอนันตรจัง ห, หูหูนวกเนี่ยไม่เียก็หูบอันตรจังก็เป็นอนันตรจังทุกขังอะไรตาก็เป็นแค่นั้นเป็นสามอย่างเหมือนกันเป็นพัตตรักษ์เหมือนกั น, นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันอย่างนี้เท่นี้แต่พันธุพานน่ะไม่ปรากฏเกิดขึ้นนะมีไม่ปรากฏไ ป, ด, ปดับไปมีอยู่เป็นอนันตการมีอยู่ทุกขณะทุกวินาทีอย่างนั้นความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะ่ะมีอยู่นะมีอยู่เป็นนั่นละเป็นอนตการแต่ความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นชั่วขณะชั่วตัวโง่นะ ตัวสัมผัสมากระทบแค่นั้นเองตัวจิตปรุงแต่งกันนะมันเกิดแค่ น, นั้นนะมันเกิดขึ้นเพราะความโง่เกิดขึ้นเพราะอวิชชาความไม่รู้อวิชชามันแปลว่ารู้แบบหลงรู้แบบรู้แบบยึดรู้แบบโง่นะไม่เช้แปลว่าไม่รู้นะรู้แบบผิดนะรู้แบบก่อให้เกิดทุกขนะ์ที่วิชชาแปลรู้แจ้งรู้จรงิงรู้ระดับทุกข์ได้เนะี่ยมันก็มีอยู่นะเห็นไหมหลวงพ่อเขาเขียนเขพูดอะทุกข์มันก็ไม่มีทุกข์อยู่นะไม่มีพู้ทุกข์ก็ไม่มีอยู่ะ ทุกมีความไม่มีทุกก็ม er ีอยู Phillips, ่ตรงนั summer, ้นไงมีอวิชามีตัวโง่ตัวหลงตัวรู้แจ้งมันก็มีอยู่ตรงนั้นนะตรงไหนก็ตรงที่ที่ใจเลยนะตรงที่ใจรู้มาตัวที่ตัวรู้ทีนี้ถ้าไม่มีตัวรู้มันก็ไม่รู้ว่าอันนี้คืออวิชาอันนี้คือวิชามันไม่รู้ใช่ไหมมันก็ต้องมาดูมาอยู่ที่ตัวรู้อย่างสมมติว่ามีใจดินร่างกายธาตุดินทัดุแข็งแข็งเนี่ยก็ดูกคนเรียบกันหังเนี่ยน้ําเลือดน้ําเลือดน้ําเลืองน้ำลายน้ําเหลืองเนี่ยะ ลมลมหายใจเข้าจะออกลมคัดเบื้องบนลมคัดเบื้องต่ำลมพับไปตามตัวไฟไฟย่อยอาหารไฟยังกายให้สุดลมนะธาตุไฟแล้วก็สุญญากาศธาตุคือช่องจมูกช่องในลําคอช่องอะไรต่างๆให้ดินน้ําลมไฟให้อาหารให้ลมมันไหลเข้าไหลออกเนี่ยช่องว่างอยู่นี่แล้วก็มีธาตุรู้เนี่ยทีนี้มันมีแค่ธาตุห้าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุมี5้าธาตุมันมีเท่ากับไม่มี เป็นเท่ากับไม่เป็นเพราะอะไรเพราะไม่มีตัวรู้เข้าใจไหมไอ้ Sham, ตัวรู้เนี่ยมันจึงสําคัญ already. ตัวรู้เนี่ยพอรู้เสร็จแล้วมันก็เป็นรู้แบบโง่ใช่ไหมรู้แบบอภิชารู้ว่าเป็นตัวกูของกูไปเอาความแก่ไปเอาความอันที่จังมาเป็นตัวกูของกูไปเอาความทุกข์ขังมาเป็นตัวกูของกูไปเอาสิ่งที่บังคับไม่ได้ไปป่วนมาเป็นตัวตนมาเป็นตัวเรานี่ไอ้ตัวรู้มันแสนโง่ก็ตัวนี้เข้าใจไหมที่นี่ไอ้ตัวที่ไม่ตัวรู้ที่ไม่ยึดมันก็มีอยู่ใช่ไหทีนี้ก็ให้เราเรามารู้ตัวรู้ที่ไม่ยึดก็คือตตัวรู้สิ รู้เราดูเฉยๆรู้ซื่อๆรู้ไปบางรู้เราต่อไม่ติดรู้ตัดขาดเป็นโรควัชเนจรนะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้เป่าๆอารมณ์กระทบแล้วก็เฉยอารมณ์ดีสุขปานิชกันไหนกระทบใจเฉยนักก็ต่อไม่ติดก็เลยตัดขาดทีนี้อารมณ์ชั่วขนาดไหนร้ายหยาบขนาดไหนมาต่อก็ไม่ใจก็เฉยอยู่ไม่ไม่ติดไปยินได้ไม่ติดมายินดีก็ต่อไม่ติดก็เรียกว่าตัดขาดแต่พวกเราเนี่มันต่อติดนะต่อติดอยู่เรื่อยเลย อารมณ์ดีๆมันก็ต้องก็ต่อติดใจสุขใจพอใจอารมณ์ละลายมาต่อก็อโกรธเกลียดไม่พอใจนะให้ละความพอใจและไม่พอใจในโรคเสียได้ที่มันสรุปอยู่ที่อะไรที่สติปัฏฐานสี่ไงกายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของเขาเขาสรุปอยู่ที่อะไรเป็นธรรมะตามธรรมชาติฉะนั้นเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยปัจปจัยมันเหตุปัจจัยมันไม่เที่ยงไอสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยปัจจัยไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงตามไปด้วยสิมันก็ไม่เที่ยงตามไปด้วย เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้เห็นอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นล่ะคือรูป ก, กํานานนี่แหละมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปตั้งอยู่ทีตั้งอยู่นิดเดียวเป๊แบบนะเดียวเหมือนกระแสะไฟฟ้าหลอด น, นิออนหล อ, อดออฟฟอดเซนอยู่บนตีส่าบนหัวเราเนี่ยเขานักวิทยาศาสต ร, ร, ร์เขาค้นพบอส้สไตล์หรือครไม่ทราบจอบ่อพวกพอหลังเขาค้นพบขึ้นมาเขาบอกมีความถี่50สไซเคิลเกิดดับ50ครั้งต่อวินาทีเลย เราไม่เห็นเราเห็นมันสว่างต่อดเวลาที่มันเกิดดับเกิดดับอย่างนี้นน้างหัวมันสิเน่ยเราเอาแค่นี้ก็พอปิดสวิตซ์เปิดสวิตซ์ก็พอเนะปิดสวิตซ์ทำมสว่างขึ้นดับสวิตซ์ทำมันดับลงอันนี้ก็เหมือนกันเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นมันดับลงแต่ในขณะคําพูดว่าคําเดียวนะณเนะี่ยพูดมาหน้าเนี่ยนะตัวจิตมันเกิดรู้ขึ้นมา77็ดสครั้งต่อต่อหนึ่งคำพูดเลยนะพระเจ้าเขาตัดไปอย่างนี้ยภาษาภาษาไปทำกับหมดไปอย่างเนี้อย่างเรากระดิกนิ้วมือเนี่ยกัย๊กเนี่ย นี่มือกระดิกก๊กเนี่ยยวเดียวน่ะไอตัวรู้เกิดดับตั้งสิบเจ็ดครั้งแล้วนะกระดิกลิ้นอย่างเงี้ยปั๊บเดียวเนี่ยหายใจเข้าปั๊บเนี้ยหายใจออกเนี่ยไอตัวรู้มันเกิดดับตั้งสิเจ็ครั้งนะไอหายใจเข้าเกิดดับนะจะใช้เวลาจากครึ่งวินาทีนะรู้เสร็จสิบเสร็จหนึ่งส่วนสิวินาทีอย่างเงี้ยหรือว่าหนึ่งนาดึงวินาทีอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเกิดดับไอตัวรู้มันเกิดดับตั้งตั้งสิบเจ็ครั้งเข้าไปแล้วนี่เราไม่รู้อารู้ตรงว่ามันเกิดขึ้นอ่าเอา ให้มันดับพร้อมกับรูปก็แล้วกันรูปคือเสียงนณะเกิดขึ้นดับไปแล้วน่ะโมเอิดเกิดตัวใหม่ก็ดับไปแนละ้วเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยฟังเสียงเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้เราฟังได้รู้ธรรมะอนิจจังธรรมะทุกขงังธรรมะอนต า, าถ้าฟังรู้ความหมายรู้ความหมายว่าอนิจจังแปลว่าความไม่เที่ยงทุกขังกทนยากทนไม่ได้อนัตตามไม่ใช่ตัวส่วนคิดนี้มันจําได้คิดได้แต่ว่าใจมันทําได้ไหมมันรู้ไหมมันไปรู้ผัสสะตัวเกิดดับ จริงไหมไปรู้อนิจจังจริงไหมไปรู้ทุกขังจริงไหมไปรู้อนัตตาจริงไหมเนี่ยก็รู้ตรงนี้ก็รู้ถ้าเกิดโอ้เกิดขึ้นตั้งอยู่ไปขึ้นไปก็เกิดดับก็ว่างว่างไอ้ตัวว่างสุญญตาแล้นี่อยู่เป็นอนันตการว่างจากโลว่างจากโกรธว่างจากหลงว่างจากทุกข์ว่างจากจิตนึกคิดปรุงแต่งว่างจากดีใจว่างจากเสียใจว่างจากรักว่างจากชังว่างจากตัวกูของกูน่ะพันธุพานว่างอย่างยิ่งนิ่พานังปรามังสุญหยั่งว่างก็ว่างจากกิเลสนั่นเองว่าจากความปรุงแต่งนั่นเอง ว่างจากความนึกคิดน so ั so so <wh> ่นเองนี่ผ่านว่างอย่างยิ่งไลนะถ้าใจเราอยู่ซื่อเชยนะซื่อเชยมันก็ว่างอ่ะว่างจากกินดีว่างจากกินร้ายว่างจากรักว่างจากชังว่างจากดินทาว่างจากสรรเสริญว่างจากติว่างจากชมว่างจากติดนึกคิดประดิษฐ์นะเห็นไหมล่ะต้องเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นมาอะไรดูอะไรรู้เข้าไปเห็นเขาเรียกว่าปัญญาเจตสิกปัญญาก็คือตัวสติสัญญาเนี่ยมันกลายเป็นตัวปัญญาขึ้นมาแล้วเจตสิกคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจเกิดขึ้นกับท่านรู้นี่เนี่ย ย, ย่ ง, รร พ, รงพระโมคคัลลาภาษาดิบุตรสําเร็จพระหาหนังเงี้ยพูดว่าพระโมคคัลลาภาษาดิบุตรสําเร็จปัญหาพูดตามภาษาสมมุติภาษาโลกภาษาคนภาษาธรรมะแล้วก็พูดว่าปัญญาเจตสิกตัดสรูปนิพาาาาาพานพ้นทุกข์ไม่มีชื่อพระโมคคัลลาภาษาดิบุตรอยู่ในนั้นเป็นปัญญาเจตสิกเลยเป็นตัวสติเป็นตัวปัญญาพูดว่าตัวสติพูดว่าตัวปัญญาก็ยังเป็นบัญญัติคําพูดออกมาอยู่ทีเนี่ยต้องเป็นความรู้สึกจริงๆนะ เป็นความรู้สึกจริงๆเป็นตัวใจจริงๆเป็นตัวนามที่บริสุทธิ์จริงๆเขาไปรู้สึกเองแนละ้วทีนี้เราก็เอาพฤติกรรมของนามพฤติกรรมของธาตุรู้พฤติกรรมของสตินะเอามาพูดให้ฟังนํามาสื่อสารทีนะไอ้เครื่องมือสื่อสารก็คือเสียงนี่เองที่พูดไปเนี่ยเสียงก็เป็นอนิจจังทุกขังอนิจจาเครื่องมือสื่อสารก็เป็นอนิจจังทุกขังอนิจจา อ, อินเทอร์เน็ตคอมพิว เ, เ, เตอร์โปรเจคเตอร์อะไรต่างมันก็ผูกมันก็พังไปไมโครโฟนนี่เดี๋ยวก็พูดดังไม่ดังหนักเสียบเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดก็เป็นออนิจังทุกขา ธรรมะทั้งหมดทั้งตัวธรรมะจริงๆและการเครื่องมือสื่อสารจริงๆที่มันเป็นรูปเป็นนามเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ธรรมะที่แท้จริงสุดนั่นก็คือไม่เกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่ไปจักไปไม่เป็นอนิจจังไม่เป็นทุกขงังแต่เป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติคือพรรันธิพัณฑ์นั่นเองพันธิภัณฑ์เที่ยงนะไม่ทุกอยู่ตลอดการอนันตาการแต่ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลเขาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวใคร แต่ว่าใจเข้าไปรู้ใจกับพนันธิพานเป็นคนละตัวกันแต่ว่าใจเข้าไปสัมผัสรู้ไปสัมผัสรู้ไปกระทบเข้าก็เรียกว่าใจเป็นพันิพานลใจดับกิเลสดับกิเลสทีนี้กิเลสนิพาน์ก็หมายถึงว่าความโลภความโกรธความหลงความเกิดขึ้นในใจไม่ได้ความอยากความยึดความยุ่งไม่มาเกิดขึ้นในใจเลยก็เรียกนี้กิเลสนิพานถ้าปะอรินิพานแล้วไอ้นามคือกายดับไปด้วยดับไปด้วยเลยทีนี้พระพุทธเจ้ากิเลสนิพานตั้งแต่อายุ45ปี นะแล้วก็สอนพวกเรามาออายุสาสิบห้าปีสอนพวกเรามาให้อยู่ตั้งให้เราปฏิบัติธรรมทั้งสีิบห้าปีหมายถึงว่าชาติสิ้นแล้วความเกิดสิ้นแล้วอสิ้นไปแล้วในความเกิดขึ้นแล้วพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่เลยนะชาติไม่เกิดแล้วชาติกิเลส ช, ชาติโลภชาติโกรธาติโงงนะชานโง่น่ะมันมาเกิดขึ้นในใจของพระองค์เข้าใจไหมเนี่ยชาติสิ้นแล้วความเกิดสิ้นแล้วความเกิดสิ้นแล้วก็คือตายสิอะไรตายกิเลสมันตาย ความง่ความตายความหลงมันตายเข้าใจไหมแต่ว่าขันห้ายังอยู่ใช่ไแต่ขันห้าเป็นขันห้าที่บริสุทธิ์ขันห้าที่ไม่เป็นทุกข์อีกแล้วต่อไปแต่เป็นเป็นทุกข์ตามอนิจังทุกขังตาตามพระไตรักอยู่แต่ไม่เป็นทุกข์เพราะตัณหาไม่เป็นทุกข์เพราะอริยสัจเข้าใจไหมนี่ทีนี้รู้ทุกข์รู้ทุกข์แล้วไม่ดับทุกข์รู้ทุกข์เป็นการดับทุกข์ในตัวก็รู้ว่าเป็นอานิจังทุกขังตาไม่ใช่ตัวเราเอาตัวเราออกจากอานิจังได้เอาตัวเราออกจากทุกขังได้ เอาตัวเราออกจากตัวตนไม่มีตัวเราน้ำไม่มีตัวเราจะเอาตัวเราออกที่ไหนนะไม่มไม่เอาตัวเราออกที่ไหนเลยเท่าว่ามันเป็นตัวปัญญาที่เฉยแล้วสมมุติพูดว่าเอาเอาตัวเราออกตัวเราพ้นทุกข์นะี่จริงไม่มีตัวเราพ้นทุกข์ไม่มีตัวเราเป็นทุกข์ที่ไหนเลยแต่ว่าตัวรู้น่นตัวรู้มันเข้าไปดับทุกข์ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์คือปัญญาเจตสิกที่บริสุทธิ์คือสติที่บริสุทธิ์สัพพัญญาสิบริสุทธิ์นี่เอง นะเข้าไปดับทุกข์คือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นี่เองจริงมันก็มันก็บริสุทธิ์อยู่ในตัวมันเองแล้วพอมันรู้ทีแรกหรืมันรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้เปลา่าๆรู้ไม่มีทุกข์เกี่ยวบนอยู่พอรู้ขนาดต่อมามันมีตัวโง้โตัวหลงเข้าไปแทรก ม, มันจึงเป็นทุกขนะ์น่ะมีตัวสุขเข้าไปแทรกก็ติดสุขมีตัวทุ ก, ก, ก, ทกนนะทข์เข้าไปแทรกก็ติดทุกข์น่ะต่อเิดขึ้นมาเข้าไปปรุงขึ้นมาเข้าไปเกาะเข้าไปยึดขึ้นมาก็เรียกอุปทานเข้าไปยึดมั่นยึดมั่นขึ้นมาพอ ชาติโลภชาติโกรธชาติหลงชาติโง่ชาติอิจฉาพยาบาทชาติตัวผู้ตัวเมียชาติผู้หญิงผู้ชายชาติคนหนุ่มคนสาวคนเท่าคนแก่ชาติสมมุติขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วเข้าใจไหมทีนี้ราชาติก็คือไม่เกิดเนี่ยที่โยมที่ปฏิบัติทำอยู่น่ะนั่นน่ะมันมีชาติอุปทานเกิดว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับทีเนี่ยพราะปฏิบัติไปปฏิบัติทีนี้ไอชาติอุปทานตัวนั้นมันหายไปทีเนี่ยก็ปฏิบัติไปจิตใจก็ปร่งโล่งเบาสบายกินได้นอนหลับนี่น่ะ ที่พูดเมื่อคืนเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าไอ้ตัวโง่ไอ้ตัวยึดไอ้ตัวอยากมันหายไปนะมันตัวมันมีแต่ตัวรู้ซื่อๆรู้เปล่าๆรู้เฉยๆนะรู้ไม่มีปัญหาขึ้นมามันก็เลยร่างกายมันก็เลยเป็นไปตามปกติของมันเลยกินได้นอนหลับไปสันสบายไปเพราะมันเกิดขึ้นตัง้งแต่ไปที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เกิดเกิดตัวรู้ขึ้นมาพอนอ น, น, ล น, ลน ห, อนดดหอนลับสนิทตัวรู้มันดับตัวรู้มันตายเหรอนะเกิดตายเกิดตายอยู่นะหลับสนิทเนี่ย พวกสิเข้าฌานสมาบัติดับสัญญาในเวทนาไอตัวรู้มันจายนะพอออกจากนั่นมาตัวรู้มันก็เกิดอีกนะสิ่งใดมีเกิดเสิ่งก็ต้องดับเถื่อะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดยอมดับไปเป็นธรรมดาที่พระอัญญาโกณทัญญายังกินจิตสมุททะยัมมธงรสัพพันตังนิโรธธรมมันตินะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือสังขารธรรม ธรรมะฝ่ายพุ่งแต่งสิ่งกายสิ่งใจสิ่งรูปสิ่งนามนี่น่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปนี่มีดวงตาเห็นทำแล้วทีนียโอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปเนี่ยเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราเป็นทุกข์ทุกข์ท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์ท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์ท่านั้นระไปทุกขนั้นแหละคือธรรมคือธรรมะคือธรรมชาติเนี่ย น, นะไม่ใช่ตัวเราที่เนี่ยเอาตัวเราออ ก, อกจากนั้นได้ทุกข์ก็ทุกขไปสิแก่ก็แก่ไปเจ็บก็เจ็บไปตายก็ตายเฉญแก่เฉญเจ็บตามสบาย ทีนี้เราไปยึดเอาอาการแก่อาการเจ็บอาการตายอาการเกิดขึ้นอาการตั้งอยู่อาการอนิจจงอาการทุกข์ขังอาการอันตรามาเป็นตัวกูเนี่ยนี่คือตัวโง่คือตัวอภิชาน่าตัวเอกตัวเลนอะไรแบบตัวดิลูชันตัวฟูลลิตตัวสติปิดโง่บัดซบเลยน่าโง่จนทุกข์นี่ยนั่นแหะตัวนี้แหละน่ให้เอาตัวนี้ออกให้ได้ห่าเอาตัวนี้ออกให้ได้คือปฏิบัติธรรมก็คือตัวตัวนี้แหละจิตเดินสายกลางสายกลางคือทางเวททุก ไอ้สายริมก็คืออะไรกามราคะนะกาเรกามาสุขันธิการโยโคอัตตะกิรมาฐานโยโคถ้าเราโลภเราโกรธเมื่อไหร่ถ้าเราโลภเรารักเมื่อไหร่ก็นั่นแหละจิตมีความโลภมีความยินดีเมื่อไหร่ก็เดินสายนั่นแหละสายกามาสุขันธิการโยโคสายริมแล้วไม่ใช่สายกลางแล้วถ้าไม่พอใจหงุดหงิดขึ้นมาก็อัตตะกิลมาฐานโยโคทุกโคขึ้นมาแล้วสายสายทุกเลยสายทรมานตนทรมานใจเราทเนี่ยสายกลางก็คือไม่สุขไม่ทุกข์ทุก ก็ไม่ยินดีไม่ติดทุกมากระทบก็มายินดีไม่ติ่งกับสายกลางสายกลางไม่มีซุกไม่มีทุกไม่มียินดีไม่มียินร้ายไม่ขึ้นไม่ลงไม่สูงไม่ต่ําไม่ฟูไม่แฟบไม่อะไรนะไม่กระเพื่อมไม่ปั่นไหวอะไรกระเพื่อมไปรักกระเพื่อมไปชั่งน่ะการนี่ใจในคงที่อยู่สงบเยือกเย็นอยู่เป็นทางสายกลางทางคนทุกข์ก็สายใจนี่แหละสายใจที่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้เปล่าๆรู้ล้วนๆรู้บริสุทธิ์นี่แหละตัวนี้แหละทำยังไงก็ต้อง วิเตเย น, นทุกข์ขมจติคนจะทนทุกข์โดยพรอความขยันมันเพียรขยันมันเพียรรู้สุดเสือซื่ อ, อ, อรู้ทำตัวนี้เฉยๆทำให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆก็เรียกว่าทําเป็นลูกโซ่อิสต่อไปจังหวะไปเนี่ยหลวงปเสียงก็พูดสิพอท่านทํางานเนี่ยมีอยู่มีกินนะนะเยอะแยะยนะไปนะร่ำรวยนะเป็นเศรษฐีขึ้นมามาบวชเพราะยังทุกข์อยู่เนี่ยทุกข์อยู่แล้วว่าตัวเองจะรักษาศิ้นแปดรักษาศิ้นแปดเพื่อเอาเปรียบภรรยา ให้ปัญญามรักษาศีลห้ามา ร, รักษากรักษาศีลก็แล้วแต่ก็เรียกว่าสร้างโบสถ์สร้างกุฏินอะไรปีคอดกรสินตั้งปีละสิบครั้งก็มีไงสร้างโบสถ์ต้นเองเนี่ยแต่แล้วก็ตังทอดกรสินก็มีงานขึ้นมามีหนังเกเรละครขึ้นมาจ้างเขาว่าจะจ่ายเท่าไหร่เอา้าจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายไปสิต้องมาปรึกษาสมัยองมมอบให้แล้วงั้นโกรธนลยเนี่ยโกรธขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาเอะเราทําบุญแล้วทําไมจึงโกรธจำไมจงทุกข์อยู่ทีเน่ะรักษาศีลแล้วสมัยจึงโกรธ สวชัยก็กินข้าไปพูดกับภรรยายบอกว่าทําไมเจ้าจึพูดอย่างนั้นเอา้าเจ้าไม่พอใจเจ้าโกรธเหรอเจ้าโกรธเจ้าโง่เจ้าหลงเจ้าก็พุตกตกสลบคนเดียวสิฉันไม่ตกด้วยเหรอลวงพ่เชียงอ๋อจริงว้ยังไเราทำบุญทำอะไรเสร็จแล้วเราถ้มาตกนรกอยู่ที่ไม่ยังมาทุกข์อยู่อย่างไรยังมาโกรธยังไม่พอใจอยู่ที่นี่นนนก็เลยออกจากบ้านทำให้หายโรคหายโกรธหายกงเราจะจะไม่กลับบ้านยังไงเขาปฏิบัติธรรมขึ้นมากกนุ่งกางเกงขาสั้นเดินจงกงมขึ้นมาไปเห็นตัวความคิดมันพวดเข้ามามันต่อไม่่ติดเนีย คิดดีอะไรมันก็ต่อไปติดคิดทั่วคิดโกรธคุเมียขึ้นมามันก็ต่อไปติดมันตัดขาดดับปุ๊บลงไปเนี่ยอ๋อนี่เองตัวสติขวตัวรู้ตัวรู้ตัวนี้ก็เรียกตัวโพชิตัวสัจจรูก็คือตัวพุทโธทุทธพุทธังพุทธเจ้าก็คือตัวรู้ตัวนี้เองตัวรู้มันเข้มแข็งตัวรู้ตัวนี้คือตัวศีนตัวสมาธิตัวปัญญาตัวมรรคมีองค์แปตัวทางพ้นทุกข์ละนะเข้าไปเห็นปั๊บเลยนะเข้าไปปั๊บไปตัวโลดตัวโกรธตัวหลงตัวเกลียตัวชังมันเลยดับหายไปทีนี้สติิสันนยทีีเ่ รู้กายอยู่ตลอดเวลากายเคลื่อนไหวทีนี้ไอตัวโลคตัวโกรธตัวหลงมันเข้ามาแทรกแซงไม่ได้มันพันอาหารเนี่ยมีสติเต็มร้อทุกวินาทีเลยทุกความคิ ด, ท, คดทุกคําพูดทุกการกระทําเลยความโรคความโกรธความหลงก็เราเข้ามาแทรกไม่ได้ดังนั้นเราจึงฝึกให้วิริยีนทุกมเจติให้ความรู้สึกตัวมันทียึบขึ้นไปอย่าให้มันขาดวักขาดตอนอย่าให้มันมีช่องว่างให้กิเลสโลคโกรธหลงเข้ามาแทรกแซงได้เข้าใจไหมนี่วิธีทำนะท่านสอนสั้นที่สุดแต่บุญคือไม่ทุกข์เราทําบุญทําทานอนะไร ให้ทำทานก็คือทำดับความดับทุกข์เราหวงเราหวงของคนเดียวเราเห็นแก่ตัวมันทุกข์อยู่นะให้ออกไปไม่เห็นแก่ตัวมันก็พ้นทุกข์เห็นไหมการทำทานก็เพือพ้นทุกข์รักษาศีลก็พความพ้นทุกข์นี่นะที่สมาธิก็เือความพ้นทุกข์จะเรียนสติก็เพือความพนทุกข์จะคิดจะพูดจะทําอะไรเพื่อรู้ทุกข์ในดับทุกข์แค่นั้นเองอาตมาสรุปแค่นี้เองนะไม่เอามากหลือการจะพูดมากพูดหมื่นคําสารคําล้านคำก็เออเขาพูดเพื่อให้ความดับทุกข์เราอย่าไปติดคำพูดทีน่ะอย่าพูดเลยราไมาฟัง ใครเทศก็ได้แต่ยกมือยกมือฟังแล้วยึดมันอยู่กับความรู้สึกซื่อๆเฉยๆมันสบายอย่าั่งละแล้แลฟังก็รู้เรื่องด้วยนะฟังก็รู้เรื่องด้วยะทําแข่งไปเลยนะที่เมือนกันอาสมาอยากจะให้ที่ไปเห็นท่านเจ้าคุณอเจ้าคุณกิติตนะิเจ้าคุณเจา้จาคณะจังหวัดสิงหนะ์ป ร, ริญญาการประโยคจบปัญญาตี น, ะนะนะั่นแหละก็ยังมาเป็นลูกเสดลูกพระเศียนเลยนะแต่ท่านฟังเทศฐานมันก็ยกมืออ่านะ อบอกอยกเวลาฟังไปอาเซาก็ยกมือเนี่ยท่านก็พาทำตะพืชเลยพาหลวงพ่อเดินจงกรมที่วัดอลวงปู่เทียนบ้านพ่อเกียมบ้าน่ะบูุหงาขึ้นเขาลงเขาผ่านตลาดสามรอบเหงื่อแตกซิกเลยเนี่ยท่านพาทำลูกเดียวเลยอหาทําลูกเดียวท่านก็เลยว่านจิตท่านมีสติอยู่กับความรู้สึกซื่อๆรู้สึกเฉยๆรู้สึกปล่าท่านมีความสุขขึ้นมาเพราะเป็นพระหนุ่มเนีะ่ะเป็นพระหนุ่มที่ท่านพูดยังไงก็ได้ท่านสวดมนต์ช้าๆเชื่อๆอะไรขึ้นมา ท่านจะทดลองกิจกิริยาแล้วมั้งว่าใจเราติดหรือเปล่าสวดช้าๆสวดเนิบๆนี่แม่ให้เราเห็นอารมณ์เราอาจจะทําอย่างนั้นก็ได้ก็าลือกทดสอบเข้าใจมหมเขาทดสอบอารมณ์เราจะหงุดหงิดงุ่นง่านลาคาหรือเปล่าจิตมันจะติดอารมณ์หรือเปล่ามันหลงอารมณ์หรือเปล่าเนี่ยอย่าไปอารมณ์อะไรมันเกิดขึ้นก็จะไปหลงมันให้รู้ให้เฉยหลวงพ่อคำเขียนพูดว่ารู้ไม่เป็นอะไรเห็นไม่เป็นอะไรเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นสุขไม่เป็นผู้สุขไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรผมเข้าคําเขียนก็คือพระนิพพานเี่ คือภาวะจิตที่พ้นทุกข์นั่นเองคำว่าเทียนคือต่อไม่จิตก็คือผ่านอี่านนั่นเองไม่ติดอารมณ์ไม่ติดยินดีไม่ติดยินร้ายไม่ติดสุขไม่ติตสุขน่นนี่ยคําพูดกันเดียวของพ่อมหาเจ้าคุณมหาหลรยก็เหมือนกันก็ความรู้สึกล้วนๆรู้สึกบริสุทธิ์นะนะขั้นต้นและทัางกลางที่สุดก็คือจิตไม่มีทุกข์นั่นเองเป็นอาการออกจากทุกข์นั่นเองนะก็พูดสรุปคําเดียวกันแต่วิธีพูดวิธีสื่อสาร มันจะมีหลายทางนะไปกรุงเทพเดินไปนั่งรถไปนั่งเครื่องบินไปนั่งเรือไปอะไรก็แล้วแตนะ่มันไปหลายทางแต่คนไปถายตรงที่สุดก็คือสายรูนเองเนี่ยสายเข้าไปรู้อารมณ์เนะข้าไปรู้ความรู้สึกตัวเนี่ยสายรูสายอื่นก็ม้วนหลอกให้ทำนั่นหลอกให้ทำนี่นีนนะ่สายบางสายก็บอกว่าพระนิพพ า, น อ, า, น, น, านอยู่ชานหน้าสวรรค์อยู่ชาหน้าวิธีไปก็ทาทานนะ ทำทานอย่างนั้นบริจาคเงินอย่างนั้นบริจาคเงินสิ่นี้สำนักที่แบบนั้นนันก็เลยมีเงินตรงหมื่นล้านแสนล้านก็เจอเสร็จแล้วก็ดับทุกไม่ได้หัวเมียอยากจะไปนิพพานทำบุญหมดตัวเมียกลับมาบ้านไม่มีอะไรจะกินเทียงกันเลยหัวเมียเทียงกันเมียอยากไปนิพพานทำบุญจนหมดตัวเลยทำบุญแบบนั้นก็เรียกว่านี่มันนิพพานมันอยู่ที่สิ้นราคาโทสะโมหะสิ้นตัณหา น่ะไม่ใช่อยู่อยู่ไม่ใช่อยู่ที่เวลาไม่ใช่อยู่ชา้นนี้ไม่ใช่อยู่ท่ชั้นหน้าไมันด้อยู่ที่เวียนว่ายแต่เกิดทุกทานมันอยู่ที่จิตขณะจิตที่ปัจจุบันเนี่ยน่ะที่พ้นจากราคะพ้นจากโทสะพ้นจากโมหะเอาไม่ตายแล้วนะทียงมันค่อยไปแล้วตัวเองพูดตัวเองไม่ได้เคยยินอ่ะพูดอัตมาพูดป๊อป๊อปป๊อปป๊อปน่ะเสร็จแล้วใจมันเร็วใจไม่เร็วพอยกมือทำช้าๆเนี่ยมันนิ่มสบายใจดีจังเลย บบน่นก็จะช้าติดเนิบๆก็บางคนอาจจะมาหาว่าหลวงพ่อเพ่งนะเพ่งเกินไปจริงๆเ่าสบายจะตายไปเดนินถ้าทําไวเนาะน้าหนักตัว่มันชิมลงไปมันทุกข์มันหยาบนะมันไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยสบายถ้าทำชา้าช้านิ่มๆเนาะใจมันจะสบายดีเสร็จนะแล้วก็คือมันจะติดตัวสบายติดตัวสุขนะติดตัวพันธุผ่านอย่าติดทีเนี่ยต้องต้องไม่ติดเมื่อหลวงพ่อเสียนถึงจะพ้นแต่ยังติดอยู่ที่ทําไมดูไหมก็ ไปอยู่กับพอ่อมหาไลัยกุฏิสิกหนึ่งมันบ่ายถูกแดดเผากุฏิซิกหนึ่งมันเย็นถูกลมพัดเนีน่ยก็เดินไปนะเดินรอบกุฏิเดินจงกรมพอมาเดินสิกร้อนเนี่ยใจมันเฉยได้พอไปเดินสิกเย็นเนี่ยโอ้ดีใจสบายจริงเย็นดีจริงนะมาติดสุขเข้าใจไหมนี่ติดสุขก็จะรู้ให้รู้อย่าติดมันโอ้ติดสุขนี่ยทีนี้สมมุติก็นนะกกรู้สมมติยังไงสมมุติวันนี้ตีนนี่หัวนี่รองเท้านี่หมวกอันนัรู้สมมุตนนนินี่กภ็ภัย นี่เมฆชื Ç ่อมันสมมตินไงหลวงพ่อก็อยากจะอวดเขาเนีวยกิเลสมันอยากอวดเขาเอารองเท้าวางบนหัวเดินรอบวัดให้คนดเนเูเอาลองข้อบ้าเลยเขาว่าเอารองเท้าวางบนหัวเขาบอกเขาบอกนี่สมมติสมมุติว่ารองเท้านี่สมมติรองหัวเหมือนนี่สมมุติต่างหากเหมือนเดินมันอยากอวดเขาเนงมันอยากรู้มันอยากจะอวดว่าตัวเองรู้รู้สมมตินี่นัน่นแหละตัวอยากอวดเนี่ยตัวอย่างนี้ก็เรียกว่าตัวอภิปัฏฑนุกิเลสเข้าใจไหม มันอยากจะพูดอยากจะสแสดงอยากจะอวดก็สิแต่ที่จริ ง, รงไอ้ตัวดับพกุพกพ้นพุกจริงๆมันไม่อวดใครหรอกนะมันเฉยๆมันนั่นหรอไม่ไ ม, ไม่ไม่ตอบไม่ตอบจิตกิดความยินดีตัวตัวพอใจตัวอยากนั่นตากสแสดงทีนี้หลวงพเทียนเขาถามว่าหลวงพอ่อหลวงพ่อป่วยอยู่นะเป็นมะเรง็งแทบจะตายหนะลวงพออง่อยังยังกระปี้กระเปายังกระชับกระเฉงในการสอนคนหลวงพ่อมีเมตตาอย่างเต็มที่ใช่ไหมหลวงพ่อเทียบอกไม่ใช่ปัญญาภาทําเลย ตัวสติปัญญาพาทำนั่นเองว่าควรทําไม่ควรทําควรคิดไม่ควรคิดควรพูดไมควรพูดอ่นะควรแนะนําไม่ควรแนะนําลุกปุ๊งขึ้นมาเลยพูดให้ฟังทำให้ดูนะขณะที่เจ็บอยู่นะอ่าอะไรก็ว่าปัญญาพาทำไม่ใช่ตัวเมตตาอ่ะไอตัวปัญญาเนี่ยตัวสติมันเป็นไปหมดเนี่ยเป็นเป็นเมตตาเป็นกรุณาเป็นมุตตาเป็นอุเบกขาเป็นตัวพ้นทุกข์อยู่ในตัวเสร็จแล้วเนี่ยกาพูดสรุปตัวเดียวว่าปัญญาพาทำความพ้นทุกข์พาทำนั่นเอง อาละที่เด็ก็พูดมากเลยเขาให้หยาดโยนทั้งหลายก็มีความเพียรวิริยะให้ทําความรู้สึกตัวซื่อๆเชยเปล่าๆเนี่ยเป็นทางพ้นทุกข์อยู่เป็นทางพ้นทุกข์อยู่ในตัวกายจะทุกข์ขนาดไหนใจไม่ทุกข์น่ะเขาเรียกว่านั่นแหละใช้ได้แล้วอาตุลสมิงปีเมกาเยจิตตังนาเหตุสตาตุลังเอวังศิขมิพุทธสสะสานานุกติงกระังเมื่อเราศึกษาปฏิบัติอยู่ทําความเพียรอยู่ ตามคำตามธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าเราจักกะทำในใจอย่างนี้ว่าที่โยมส่วนสาสานูปสิปสีไม่เคยทําในใจเลยนะทำตามกิเลสอยู่เรื่อยเลยพูดตามกิเลสคิดตามกิเลสทําตามกิเลสจักทาในใจว่าแม้ร่างกายจักเจ็บอยู่แต่จิตใจจะไม่เจ็บเลยอย่างนี้เจ็บแต่กายเจ็บแต่รูปน้ําไม่เจ็บเจ็บทุกแต่รูปทุกแต่กายน้ําไม่ทุกเนี่ยเจ็บแต่กายใจไม่เจ็บทุกแต่กายจะไม่ทุกเดือดร้อนแต่กายใจไม่ร้อนลำบากแต่กายใจไม่เดือดร้อนนั่นแหละจิตเข้าถึงพานิพานแล้วนะ ทั่วขนาดแล้วก็ยังดีงนะจ๊ะมาถ้าตลอดชีวิตก็เป็นพันาหารหันไปเลยยทุกแต่กายใจไม่ทุกผู้เจ้าก็กินเห็ดอ่อนที่หมูชอบกินสุก라บัตวนะอันนั้เป็นสารพิษ น, นะท่านก็นฉันเข้าไปอาหารเมื่อนนายจุนทะมีอนิสงฆ์เท่ากับน้ำวิสาขาสวายตัสรูนะนี่เราฉันอาหารเมื่อ น, นิสปริภานไม่เป็นบาปเลยนะเพราะท่านจะต้องมรณภาพอยู่แล้วท่านก็รู้อยู่แล้วก็เลยฉันเข้าไปเสร็จแล้วก็อาเจียนเป็นโลหิตทายเป็นโลหิตอยู่นะมันเจ็บขนาดไหนแต่ใจคล้ายเจ็บแต่ใจไม่เจ็บเลย ใจพ้นทุกไปแล้วเข้าใจไหมใจไม่มีปัญหาไม่เสวยพัฒนาสุขทุขอะไรแล้วมันเหนือไปแลสินะแต่ร่างกายก็ถ่ายมันเลือดอยู่อาเจียนไปรู้เพระดิจอยู่เนะี่ยเจ็บแต่กายใจไม่เจ็บนี่ยพ้นทุกไปแล้วเมื่อใครร่างกายมันเจ็บยังไงใจไม่เจ็บนั่นแนหะผู้นั้นเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงครูพระเจ้าโดยตรงเลยเข้าถึงพระอรหันต์ตรงนั้นเลยนะตรงที่จิตใจมันหันหนพ้นทุกนั่นเองนะตรงนี้แหละกายเดือดร้อนอยังไงเรารักษามันอยู่นะ บำลุงมันอยู่เพื่อจะให้มันมีชีวิตอยู่นานๆจะได้เป็นตัวอย่างพ้นทุกข์ให้คนอื่นดูจะได้ตัวอย่างสอนคนอื่นให้ดูแค่นั้นเองทีนี้เราจะไปทุกข์กับมันเีรักษามันรักษาด้วยความไม่ทุกข์นะเพื่อจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ช่วยคนอื่นดับทุกข์ต่อไปสอนคนอื่นดับทุกข์ต่อไปเป็นอยู่ด้วยความไม่เป็นทุกข์ให้คนอื่นดูต่อไปเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะกรียิวาเป็นตัวอย่างที่ใจใจดีใจสวยใจงามให้คนอื่นดูใจไม่ทุกข์ให้คนอื่นดูอันละขอใญาติโยนเท่าไหร่ องมีดวงตาเห็นทาเหมือนพรุทธเจ้าเหมือน พ, อะอนพระลูกปูเทียนพวกเขียนดับทุกข์ด้วยกันทุกท่านเทิน